บทที่3ประสบการณ์บางตอนที่น่าสนใจเมื่อฤดูใบไม้ผลิของปี1964ได้มีการประชุมที่น่าสนใจเกิดขึ้นในนครลอสแองเจลิสผู้เข้าประชุมมีประมาณ20คนซึ่งมีนักจิตเวทวิทยานักจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์และอื่นๆและข้าพเจ้าเองด้วยผู้หนึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์ คือเพื่อต้องการตรวจสอบค้นคว้าและหาเหตุผลตลอดจนทดลองด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆของข้าพเจ้าหลังจากที่ผู้เข้าประชุมได้ถามปัญหาต่างๆกันมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วข้าพเจ้าก็ถือโอกาสเป็นฝ่ายถามบ้างโดยถามเป็นครั้งแรกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วนั้นอยากทราบว่าท่านจะทำอย่างไร ส่วนมากของผู้เข้าประชุมในวันนั้นคือมากกว่าสองในสได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าควรจะต้องมีการสอบสวนค้นคว้ากันต่อไปเพื่อที่มนุษย์จะได้มีโอกาสรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวของเขาเองให้มากยิ่งขึ้นที่เหลือก็แนะนำว่าข้าพเจ้าควรรีบไปหาจิตแพทย์เพื่อตรวจความวิปริตทางจิตเสยโดยเร็วที่สุดแต่ก็ไม่มีใครที่อยู่ในที่นั้นรับอาสาว่าจะเป็นผู้ตรวจให้เลย ข้ะเจ้าได้ถามเป็นครั้งที่สองว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะยินดีร่วมมือโดยตรงในการสอบสวนค้นคว้าดังกล่าวไหมทั้งนี้เพื่อว่าจะทําให้เราได้รับความรู้อย่างใหม่ในแนวทางที่ค่อนข้างจะผิดปกติเช่นนี้ตอนนี้คําตอบที่ได้รับมีในยาต่างๆกันประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่อยู่ในที่นั้นรับว่าเต็มใจจะให้ความร่วมมือด้วยที่น่าแปลกก็คือส่วนมาก พวกที่รับว่าจะให้ความร่วมมือนี้เป็นพวกที่สงสัยคือไม่แน่ใจว่าประสบการณ์ดังกล่าวของข้าพเจ้าจะเป็นจริงได้เพียงไรคือพวกที่แสดงว่าเชื่อส่วนมากกลับไม่ให้ความร่วมมือความจริงข้อนี้ทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยหลักความจริงอย่างหนึ่งว่าการพูดจาส่งเสริมแต่เพียงด้วยปากนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่เมื่อมาถึงการให้ความร่วมมืออย่างจริงจังแล้วจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลย คือส่วนมากมักจะเกี่ยงให้ผู้อื่นทำก่อนเพราะตนเองไม่อยากเสี่ยงหรือลำบากอันที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดตำหนิท่านเหล่านั้นนักเพราะเมื่อคิดถึงอีกแง่หนึ่งแล้วหากว่าเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วมีใครสักคนหนึ่งมาขอความร่วมมือในเรื่องเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าก็น่ากลัวว่าข้าพเจ้าคงจะต้องปฏิเสธเหมือนกันบางท่านคงจะสงสัยว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น บุคคลเหล่านั้นมาประชุมกันในสถานที่ดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์อะไรข้าพเจ้าคิดเอาเองว่าอาจจะเป็นเพราะความอยากรู้อยากเห็นก็เป็นได้หรือไม่ก็เป็นเพราะท่านเหล่านั้นอยากจะรวบรวมหลักฐานเพื่อเป็นข้อมูลที่มากขึ้นสำหรับงานที่ตนกำลังค้นคว้าอยู่ก็ได้ซึ่งข้าพเจ้าเองก็คิดอยากจะให้เป็นไปในประการหลังนี้ต่อไปนี้คือบันทึก ที่เป็นส่วนสำคัญซึ่งทำให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความสนใจและมาทำการค้นคว้าดังกล่าวแล้ว wrote, ขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้ดำเนินการสอบสวนค้นคว้าด้วยตัวของท่านเองต่อไปเหตุการณ์ที่หนึ่งตอนบ่ายของวันที่1ิบพฤษภาคมรุศักราช1958 ข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าได้ลอยขึ้นไปบนอากาศอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมดรแบรชชอลและภรรยาของเขาดูสักครั้งเนื่องจากนึกขึ้นได้ว่าในระยะนั้นดรแบรชชอลกำลังป่วยเป็นไข้หวัดซึ่งก็คงกำลังนอนอยู่บนเตียงข้าพเจ้าจึงคิดได้ว่าน่าจะลองไปเยี่ยมเขาดูในห้องนอนเลยทีเดียวทั้งนี้เพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยเข้าไปในห้องนอนของเขาเลย ถ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าสามารถบรรยายลักษณะของสิ่งต่างๆในห้องนอนของเขาได้ถูกก็หมายความว่าข้าพเจ้าได้เข้าไปในห้องนอนของเขาจริงๆต่อจากนั้นก็บังเกิดความรู้สึกว่ามีลมหมุนข้าพเจ้ากำลังดําดิ่งเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งต่อมาก็รู้สึกว่าเป็นการลอยขึ้นเรื่อยๆในอุโมงค์นั้นในตอนนี้ใครขอกล่าวแทรกไว้ให้ท่านผู้อ่านทราบด้วยว่าบ้านของดรแบชอล อยู่ห่างจากที่ทำงานของข้าพเจ้าออกไปประมาณห้าไม้เป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งหนึ่งรู้สึกว่าตนเองลอยอยู่เหนือระดับต้นไม้มองเห็นท้องฟ้าแจ่มใสยอยู่เบื้องบนในระหว่างนั้นมีอยู่ชั่วขณะหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นร่างมนุษย์เป็นร่างกลมกลมร่างนี้จะอยู่ในท้องฟ้าหรือยอย่างไรก็จําไม่ได้ชัดเสีแล้วร่างมนุษย์ดังกล่าวนี้ดูเหมือนว่าจะแต่งกายคลุมด้วยเสื้อคลุมมีอะไรอย่างหนึ่งสวมบนศรีรษะ นั่งประสานมือไว้บนตักคล้ายๆกับจะเป็นท่านั่งสมาธิไขว้ขวาแบบพระพุทธรูปฉะนั้นร่างนี้ปรากฏอยู่ช่วขณะแล้วก็หายไปซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบว่าการมาปรากฏของร่างนั้นจะมีความหมายอย่างไรหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าการเดินทางโดยลอยขึ้นไปอย่างที่สูงชักจะลำบากขึ้นเรื่อยเอยืพร้อมกันนั้นก็รู้สึกเพลีย และคิดว่าน่าจะไปต่อไม่ไหวเสีแล้วทันทีที่คิดเช่นนั้นก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนมีใครคนหนึ่งเอาแขนสอดเข้ามาใต้แขนทั้งสองข้างและยกตัวอุ้มลอยขึ้นไปทันทีเป็นการอุ้มที่ได้ผลทันตาเห็นเพราะต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวว่ามีแรงขึ้นสามารถวิ่งขึ้นเนินไปได้โดยฉับพลันในระหว่างทางนั้นเอง ข้าพเจ้าได้สวนทางกับดรอเตอร์布拉ชอลและภรรยาซึ่งกําลังเดินมาด้วยกันทั้งนี้ทําให้ข้าพเจ้าประหลาดใจมากเพราะไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดดรอเตอร์布拉ชอลซึ่งกําลังป่วยและน่าจะนอนอยู่บนเตียงในตอนนั้นกลับมาเดินอย่างสบายอยู่นอกบ้านได้ในขณะที่กล่าวถึงนี้ดรอเตอร์布拉ชอลแต่งกายด้วยเสื้อโอเวอร์โค้ตสีจางๆและได้สวมหมวกด้วยส่วนภรรยาของเขา สวมชุดสีคล้ำทั้งตัวเรื่องใจเห็นว่าคนทั้งสองกำลังเดินสวนทางมาข้าพเจ้าจึงหยุดรอเพื่อคิดว่าจะทักทายเขาแต่กลับปรากฏว่าทั้งสองคนเดินผ่านเลยไปโดยไม่ได้สังเกตเห็นข้าพเจ้าเลยในขณะนั้นทั้งสองสนทนากันอย่างอารมณ์ดีและเดินมุ่งหน้าจะไปยังตัวตึกหลังเล็กหลังหนึ่งซึ่งดูคล้ายกับจะเป็นโรงรถฉะนนั้นและระหว่างที่เดินมาด้วยกันนั้น ดรบล拉ชชอเดินคล้อยหลังภรรยาเล็กน้อยข้าพเจ้าพยายามลอยไปอยู่เบื้องหน้าเขาทั้งสองพร้อมทั้งโบกมือไปมาเพื่อให้เขาเห็นข้าพเจ้าแต่ก็คงไม่ได้ผลหลังจากนั้นครู่หนึ่งข้าพเจ้าได้ยินด็เตอร์布拉ชชอพูดออกมาโดยไม่ได้เหลยวหลังกลับมาเลยซึ่งข้าพเจ้าก็ตึกทักเอาเองว่าเขากํำลังจะพูดกับข้าพเจ้าคือก็พูดว่านี่เนะ่ะหวังว่าคุณคงจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออีกแล้วนะ เมื่อได้ยินเช่นนั้นข้าพเจ้าก็คิดเอาเองในตอนนั้นว่าเข้าคงจะรู้แล้วกระมังว่าข้าพเจ้าได้มาอยู่ที่นั่นแล้วข้าพเจ้าจึงหันกลับแล้วดำดิ่งลงไปในดินเพื่อกลับมายังที่ทำงานในที่นี้คือคิดเอาเองว่าคงจะเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าได้หมุนเวียนอยู่ก่อนจึงได้เข้าร่างแล้วก็ลืมตาขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องคงเป็นปกติความสั่นสะเทือนของร่างกายก็ยังคงมีอยู่ และข้าพเจ้าก็คิดว่าการทดลองสำหรับวันนั้นเป็นการเพียงพอกันทีการวิเคราะห์ภายหลังเหตุการณ์ข้าพเจ้าได้โทรศัพท์ไปถึงดรอกร์ชอลและภรรยาข้ามวันนั้นและได้ถามโดยไม่ได้บอกให้รู้เรื่องของข้าพเจ้าเลยว่าใ mm. นระหว่างบ่ายสี่โมงกับบ่ายห้าโมงของวันนั้นเขาอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่ภรรยาของดรอเอร์ชอลเป็นผู้รับสายเธอได้ตอบว่า เมื่อเวลาประมาณ4ี่โมง25นาทีเธอกำลังเดินออกจากบ้านกับสามีเพื่อจะไปยังโรงรถโดยตัวเธอเองจะไปยังที่ทำการไพรสนีส่วนด็อเตอร์แบรชอนั้นแม้จะกำลังไม่สบายอยู่แต่ก็คิดว่าถ้าได้ออกไปเดินรับอากาศบริสุทธิ์สักพักหนึ่งก็คงจะค่อยเย็งชั่วขึ้นบ้างจึงได้แต่งตัวและออกเดินไปด้วยกันภรรยาของดรแบรชอตอบว่าเธอบอกเวลาได้ใกล้เคียง ก็เพราะว่าเธอได้เช็คเวลาถอยหลังจากเวลาที่เธอไปถึงที่ทาการไพรสเีซึ่งในตอนนั้นเป็นเวลาอีก25นาทีจะห้าโมงและเธอรู้อยู่ว่าจากบ้านไปที่ทําการไพรสนีกินเวลาประมาณ15นาทีส่วนข้าพเจ้านั้นได้กลับมาเข้าร่างกายเมื่อเวลาประมาณ4โมง2ีนาทีดังนั้นเรื่องเวลาจึงเป็นอันว่าอยู่ในแกนที่มีเหตุผลเป็นไปได้ทีเดียว ข้าพเจ้าได้ถามตอบไปว่าเธอสวมเสื้อผ้าสีอะไรมิสซิส布าชอตอบว่าเธอสวมสลักสีดำและสวมเสื้อสเวตเตอร์สีแดงโดยมีเสื้อคลุมดำทับอีกชั้นหนึ่งส่วนดรบราชอนั้นสวมเสื้อโอเวอร์โค้ตและสวมหมวกสีจางๆอย่างไรก็ตามเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทั้งสองคนไม่ได้เห็นข้าพเจ้า หรือรู้ว่าข้าพเจ้าได้ไปอยู่ใกล้ๆกับเขาในเวลาดังกล่าวเลยและดรบาชอเองในตอนนั้นก็ไม่ได้นึกฝันว่าจะพูดอะไรกับข้าพเจ้าเลยข้อที่สําคัญก็คือว่าข้าพเจ้าคิดว่าจะพบเขาบนเตียงนอนในห้องนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมานี้มีเรื่องตรงกับความจริงอยู่หลายอย่างซึ่งถ้าหากจะว่าเป็นการบังเอิญก็รู้สึกว่าจะมากเกินไป อันที่จริงข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ใครเชื่อนอกจากว่าจะให้ตนเองเชื่อเท่านั้นและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็พอจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้จริงๆว่าจะต้องมีอะไรเป็นพิเศษอยู่เหนือความรู้ของวิทยาศาสตร์จิตวิทยาหรือจิตเวทวิทยาในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนมันไม่มีทางที่จะเป็นการเพอร้อฝันคิดไปเองหรือเป็นภาพลวงตาได้เลย ละนี่เองเป็นเครื่องพิสูจน์แก่ตัวข้าพเจ้าเองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าผู้อื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามความจริงมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ซับซ้อนสับสนอย่างใดแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ข้าพเจ้าลืมไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากในการสอบดูกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆก็ปรากฏว่าตรงกับเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาด้วยกายอื่นจากกายเนื้อการที่จะลงมติเอาง่ายๆว่าเป็นเพราะการตั้งใจตนเอง หรือการเพ้อฝันคิดไปเองจึงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ขอให้ท่านสังเกตว่าสิ่งที่ตรงกันในเหตุการณ์นี้มีหลายอย่างคือ 1. สถานที่ 2. ตำแหน่งที่อยู่ของคนทั้งสอง 3. การกระทำของคนทั้งสอง 4. เสื้อผ้าที่ทั้งสองคนสวมใส่ในตอนนั้น และ 5. เวลาที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนอกจากนั้นยังมีปัจจัยในด้านลบหรือภาคปฏิเสธอีกหลายประการเป็นเครื่องประกอบคือ 1. ข้าพเจ้าไม่ทราบมาก่อนว่าเขาจะไปที่ทำการไพรส์นีในตอนนั้น 2. ข้าพเจ้าไม่อยู่ในฐานะที่จะทราบได้ว่าใครจะเดินหน้าเดินหลัง 3. ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า เขาจะต้องไปที่โรงรถโดยเดินไปในทิศทางดังกล่าวและสข้าพเจ้าหวังจะพบดรบชอลนอนอยู่มากกว่ากำลังเดินอยู่เช่นนั้นหรือแต่งตัวอย่างนั้นเหตุการณ์ที่สองในตอนเช้าของวันที่หมีนาคม คริตศกรชัการาสิในโมเตลแห่งหนึ่งที่วินสตันซาเลมข้าพเจ้าตื่นแต่เช้าออกไปหาอาหารเช้ารับประทานเมื่อเจ็ดนริกาสสนาทีกลับมาเมื่อประมาณแปดนริกา30สินาทีแล้วเอนหลังเพื่อพักผ่อนในขณะที่กำลังสบายนั่นเองอาการสั่นสะเทือนก็ปรากฏขึ้นและข้าพเจ้าก็รู้สึกว่า ตนเองได้เคลื่อนไหวออกไปจากสถานที่นั้นสักครู่หนึ่งก็หยุดและข้าพเจ้าก็ได้เห็นคนหนึ่งเดินมาตามถนนโยนลูกเบสบอลเล่นทันใดภาพนั้นหายไปข้าพเจ้าก็กลับเห็นเป็นภาพชายคนหนึ่งกำลังก้มๆเงยๆพยายามเอาวัตถุอะไรอย่างหนึ่งใส่ไปในที่นั่งด้านหลังของรถคันหนึ่งซึ่งเป็นรถสีดานคันใหญ่สิ่งนั้นมีรูปร่างเทอธาคล้ายๆกับจะเป็นรถเล็ก มีล้อและมีเครื่องมอเตอร์อยู่ข้างบนชายคนนั้นหันเจ้าสิ่งนั้นกลับไปกลับมาสักพักหนึ่งก็ดันเข้าไปได้แล้วเขาก็ปิดประตูตอนหลังรถเสียงดังปังภาพนั้นหายวับไปอีกต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวว่าได้มายืนอยู่ข้างๆโต๊ะตัวหนึ่งมีคนนั่งอยู่รอบๆและมีจานเต็มไปหมดมีคนคนหนึ่งกาลังแจกกระดาษขาว คล้ายๆกับจะเป็นไพ่ให้กับคนอื่นๆรอบโต๊ะนั้นซึ่งทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นเข้ามาเล่นไพ่กันที่โต๊ะซึ่งมีจานวางเกลื่อนกลาดไปหมดเช่นนั้นและก็ออกจะพิศวงอยู่ว่าเหตุไนกระดาษหรือไพ่ที่เขาแจกจึงมีขนาดใหญ่โตนักหนาทันใดภาพนั้นหายวับไปอีกและข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวว่าได้มาลอยอยู่เหนือถนนสายหนึ่งประมาณห้าร้อยฟุตพร้อมกันนั้น ก็พยายามมองหาว่าบ้านของตนอยู่ที่ไหนทันใดนั้นก็เหลือไปเห็นเสาอากาศวิทยุเข้าก็จำได้ว่าบ้านของข้าพเจ้าอยู่ใกล้กับเสาอากาศนี่เองพอรู้สึกว่าจำได้เท่านั้นก็ปรากฏว่าได้กลับเข้ามาอยู่ในร่างกายตามเดิมข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งและเหลียวมองไปรอบๆทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพปกติ การสอบสวนหลังเหตุการณ์เย็นวันเดียวกันนั้นข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันชื่อมิสเตอร์และมิสซิสบานสันที่บ้านของเขารู้สึกว่าเขาจะรู้เรื่องของข้าพเจ้าอยู่บ้างและข้าพเจ้าก็คิดว่าเหตุการณ์ในตอนเช้าวันนั้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาอยู่บ้างข้าพเจ้าได้ถามว่าบุตรชายของเขาอยู่ไหนเขาได้เรียกให้เด็กมาพบ และถามว่าในระหว่างสองโมงครึ่งถึงสามโมงเช้าวันนี้แกกำลังทำอะไรอยู่แกตอบว่าตอนนั้นแกกำลังไปโรงเรียนเมื่อได้ถามตอบไปว่าในระหว่างที่ไปโรงเรียนนั้นทำอะไรบ้างแกได้ตอบว่าแกเดินเล่นลูกบอลคือโยนขึ้นแล้วรับไปตลอดเวลาอันที่จริงข้าพเจ้าเองก็รู้จักกับเด็กคนนี้ดีอยู่แต่ก็ยังไม่เคยได้ทราบว่าแกชอบเบสบอล อย่างไรก็าตามเรื่องนี้อาจไม่เป็นข้อพิสูจน์ที่แน่นอนนักสำหรับผู้ที่ทราบว่าขาเจ้าได้เคยรู้จักกับเด็กคนนี้มาก่อนแล้วเมื่อขเจ้าถามต่อไปถึงเรื่องการเอาของบรรทุกรถมิสเตอร์บานสันแสดงอาการประหลาดใจและบอกไว้ในตอนนั้นพอดีเขากำลังเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบรรทุกเข้าไปในรถตอนนั้นพอดีที่นั่งด้านหลังเครื่องกาเนิดไฟฟ้านี้มีรูปร่างเทอะทาจริง คือมีล้อมีมอเตอร์และมียกพื้นอยู่บนนั้นด้วยเขาได้ให้ข้าพเจ้าดูเครื่องนั้นเป็นพยานซึ่งเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้วก็รู้สึกพิกลในเมื่อ น, นึกย้อนหลังไปแล้วรู้สึกว่าตนเองได้เคยเห็นมันมาแล้วครั้งหนึ่งในกายอื่นต่อไปข้าพเจ้าได้ถามเขาถึงเรื่องโต๊ะและกระดาษแผ่นใหญ่ภรรยาของเขาได้เป็นผู้ตอบเรื่องนี้เองด้วยความตื่นเต้นโดยบอกว่า เช้าวันนั้นเธอตื่นสายไปหน่อยซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างจะผิดปกติอยู่บ้างเพราะเธอไม่เคยตื่นสายเช่นนั้นมาสองปีแล้วดังนั้นเธอจึงเป็นนาเอาจดหมายมาแจกกันให้แก่คนอื่นในบ้านนั้นในตอนที่กําลังจะรับประทานอาหารเช้าเลยทีเดียวเป็นอันว่าเรื่องทั้งหมดก็เข้าเขาดีและข้าพเจ้าก็คิดว่าเขาคงจะไม่ล้อข้าพเจ้าเล่นด้วยประโยชน์อะไรเป็นแน่สรุปความเช่นเดียวกับในเรื่องก่อน การนึกฝันเอาเองของข้าพเจ้าหรือภาพลวงตาไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมีเหตุการณ์ที่ตรงกับความจริงหลายประการเช่น 1. เด็กเดินไปโรงเรียนพร้อมกับโยนลูกบอลเล่นไปด้วย 2. มิสเตอร์บานสันอยู่ที่รถในตอนนั้นจริงๆ 3. เรื่องกาเหมือดไฟที่เขาเข็นเข้าไปในรถก็เป็นความจริง 4. ีมิสิตบานสัน กลังนั่งแจกสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นไพ่ยอยู่ที่โต๊ะอาหารตามเวลาดังกล่าวห้าขนาดของกระดาษที่นำมาแจกซึ่งข้าพเจ้าคิดเอาเองว่าเป็นไพ่ 6. จานต่างๆที่เรียงรายกันอยู่บนโต๊ะสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่สามารถทราบหรือเดาได้คือ 1. การที่เด็กคือลูกของมิสเตอร์บานสันชอบเล่นลูกเบสบอล และโดยเฉพาะการโยนเล่นในระหว่างเดินไปรงเรียนสองการที่มิสเตอร์บานสันเข็นเครื่องทำไฟก็ไปในรถตอนเช้าของวันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาทำอยู่เป็นปกติประจาวันสามอาจเป็นไปได้ที่ข้าพเจ้าจะเคยเห็นเครื่องทำไฟเช่นนั้นมาก่อนแต่การที่เครื่องนั้นจะอยู่ในลักษณะเช่นนั้นในเวลานั้น ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่มีทางจะคาดหมายได้ 4. การกระทําดังกล่าวทั้งหมดของมิสเตอร์และมิสซิสบานสันเป็นเรื่องผิดปกติธรรมดาคือไม่ใช่เรื่องที่ทําเป็นประจําวันถ้าไม่ได้มีการเห็นจริงๆก็ไม่มีทางที่จะเดาหรือคาดคะเนได้เลย เหตุการณ์ที่3ตอนกลางคืนของวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช 1,960 เรื่องนี้ได้ผลตรงกันข้ามกับที่ข้าพเจ้าหวังไว้เป็นอย่างมากจึงเป็นการสมควรที่จะต้องบันทึกไว้ให้ค่อนข้างละเอียดสักหน่อยดังต่อไปนี้ในระหว่างที่เราคิดว่าจำต้องหาคำตอบในเรื่องนี้ให้ได้ แต่โดยใครก็ตามนั้นข้าพเจ้าได้มารู้จักกับมิสซิสเอ็มซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในทางทรงวิญญาณอยู่ด้วยสำหรับมิสซิสเอ็มผู้นี้ข้าพเจ้าขอรับรองแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ว่าเธอเป็นบุคคลที่มีความเมตตากรุณาและมีคุณธรรมอย่างอื่นสมควรที่จะไว้ใจได้จริงๆและเป็นผู้หนึ่งที่ข้าพเจ้านับถือในคุณธรรมอย่างสูงสุดอย่างไรก็ตามในการเข้าทรงวิ ญ, ญญาณสองครั้ง ที่เราได้เข้าร่วมด้วยกันนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าในระหว่างการทรงวิญญาณซึ่งเธอได้เข้าพวังหรือลืมตัวไปชั่วขณะนั้นเธอน่าจะพูดหรือกระทําไปโดยอาศัยจิตใต้สำนึกคือออกมาจากตัวเองซึ่งมากกว่าในเรื่องนี้ได้แก่สปริตเพอร์ซนนลิตี้คือการที่บุคคลบางคนถือเอาลักษณะของอีกบุคคลหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับตนเองแต่อันที่จริงแล้ว ก็อาจจะออกมาจากส่วนลึกของจิตใจตนเองก็ได้อันที่จริงข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเธอจะหลอกลวงเพราะข้าพเจ้าแน่ใจที่สุดว่าเธอจะไม่ทําเช่นนั้นแต่ทั้งนี้ก็หมายความว่าทาั้งๆที่เธอไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงแต่การกระทาของเธอก็อาจจะเป็นไปด้วยความลงผิดโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้และเมื่อเป็นเช่นนั้นเทพเจ้าผู้พิทักษ์ ซึ่งมาเข้าทรงเธอและมาอาศัยปากเธอพูดนั้นอาจจะเป็นเพราะความจริงดังกล่าวนี้ก็ได้คืออาจจะไม่ใช่หรือไม่มีเทพเจ้าที่ไหนเลยแต่เป็นเพราะจิตส่วนใต้สำนึกของเธอแสดงปรากฏการ์และความสามารถออกมาในระหว่างที่เธอลืมตัวคือปล่อยจิตสำนึกไปชั่วคราวนั่นเองและในระหว่างนี้เมื่อเธอไม่สามารถควบคุมตนเองได้ความสามารถหรือลักษณะที่แฝงอยู่ ก็ได้โอกาสออกมาทํางานแทนนั่นเองสิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้ายัางคลางแคลงก็คือเมื่อข้าพเจ้าถามคำถามบางอย่างแกเทพผู้พิทักษ์คือสามีผู้ลงลับไปล่าของเธอและชาวอเมริกันอินเดียนอีกหนึ่งท่านก็ปรากฏว่าได้รับคําตอบชนิดเลี่ยงไปมาคือไม่ตรงเป้าหมายคือคําตอบที่ได้รับก็จะเป็นทนองว่า คุณจะได้ทราบเรื่องนี้โดยจําชัดจากตัวคุณเองในตอนนั้นข้าพเจ้าคิดว่าคำตอบเช่นนี้ไม่น่าจะมีขึ้นได้เลยเพราะในเมื่อเรามีวิธีอื่นอีกก็ได้แล้วเหตุใดจึงจะต้องรอเพื่อให้ได้คำตอบจากตนเองอีกเล่าในที่นี้ข้าพเจ้านำเรื่องนี้มาบันทึกไว้ด้วย<ๆ>ก็เพื่อจะให้ผู้อ่านว่าข้าพเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรในตอนนั้นต่อมิสซิสเอ็มและเทพูพิทักษ์ของเธอ แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานกับที่ข้าพเจ้าได้ประสบวันนี้ก็ทําให้ข้าพเจ้างงไปหมดเรื่องเป็นดังนี้คืออาร์จีซึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งของมิสซิสเอ็มได้เสนอแนะว่าให้ข้าพเจ้าได้ร่วมการทรงวิญญาณซึ่งเธอจะได้จัดให้มีขึ้นในห้องของเธอที่นิวยอร์กในคืนวันศุกร์ด้วยก็จะเป็นการดีคืนวันศุกร์คือเมื่อวานนี้ประวันที่จดบันทึกนี้ เป็นวันเสาร์เมื่อได้ทราบข้าพเจ้าก็เอออวยไปด้วยอย่างเสียไม่ได้พร้อมกับเล่าว่าถ้าว่างข้าพเจ้าก็จะไปร่วมด้วยแต่อ่านที่จริงพอถึงวันนัดเข้าข้าพเจ้าก็ลืมเรื่องนั้นเสียสนิทในที่นี้หมายถึงคือคงจะลืมในจิตสานึกนั่นเองทีนี้เรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นดังนี้ข้ามวันนั้น ข้าพเจ้ากับภรรยาเข้านอนประมาณสามทุ่มครึง่งภรรยาข้าพเจ้าหลับสนิทไปเกือบจะทันทีซึ่งสังเกตได้จากลมหายใจของเธอส่วนข้าพเจ้ายังไม่หลับกำลังนอนพักผ่อนด้วยความสบายและอาจกล่าวได้ว่าคงจะครึ่งหลับครึ่งตื่นเสมากกว่าทันใดนั้นก็รู้สึกเยือกเย็ยนขึ้นมาด้วยฉับพลันยังบอกไม่ถูกมันเป็นความเยือกเย็นทางใจคล้ายๆกับว่าตนกำลังจะยืนอยู่บนหลุมฝังศพฉะนั้น ใจรู้สึกหดหูและเศร้าวังเวงชอบคนพร้อมกันนั้นก็รู้สึกขนลุกตั้งแต่ท้ายถอยขึ้นมาเรื่อยท้าพระเจ้ามองไปทางประตูห้องซึ่งมีแสงไฟส่วหลวๆด้วยความหวันเกรงแต่ก็รู้สึกว่าจำต้องมองไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจึงต้องมองไปที่นั่นแต่เมื่อมองแล้วก็ได้ลายเห็นภาพขาวโพลนเป็นร่างของสิ่งที่น่าจะเรียกได้ว่า เป็นปีศาจร่างหนึ่งยือนอยู่ร่างนี้มีลักษณะ ส, สวดทรงและการแต่งกายสมกับที่จะเป็นปีศาจจริงๆเสียด้วยคือสูงราวหกฟุตและมีผ้าสีขาวคลุมร่างตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าจนกระทั่งจรวดพื้นที่ยือนอยู่มองเห็นผ้าที่คลุมร่างอยู่นั้นไหวไปมามือหนึ่งของร่างนั้นเหยียดออกกำลุบิดประตูไว้ข้าพเจ้าตกใจมาก และก็ไม่มีทางที่จะติดต่อกับร่างนั้นด้วยวิธีใดๆเลยข้อสําคัญก็คือร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนไหวมาหาข้าพเจ้าเรื่อยๆซึ่งทําให้ข้าพเจ้าต้องห่อตัวด้วยความกลัวแต่ในเวลาเดียวก็รู้สึกว่าต้องดูให้รู้ว่าเป็นอะไรแน่ทันใดนั่นเองก็รู้สึกว่ามีมือของใครคนหนึ่งมาปิดตาข้าพเจ้าไว้ไม่ให้เห็นภาพนั้นอีกต่อไปทั้งๆที่กลัว แต่ข้าพเจ้าก็พยายามแกะมือนั้นออกเป็นพลวันเพื่อจะดูร่างนั้นให้ได้จนกระทั่งรู้สึกว่าร่างนั้นมาหยุดอยู่ห่างจากตัวไม่ถึงหนึ่งฟุตทันใดนั้นเองก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครคนหนึ่งชอนมือเข้ามาใต้แขนข้าพะเจ้าและยกอุ้มขึ้นเบาๆจากเตียงนอนซึ่งทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกใจสงบลงบ้างเพรารู้สึกในใจว่าผู้ที่มาอุ้มข้าพเจ้าขึ้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามน่าจะเป็นมิตรภาพมากกว่าที่จะเป็นศัตรูเมื่อคิดได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้ขัดขืนหรือดิ้นรนอีกต่อไปต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวว่าได้มีการเคลื่อนไหวออกจากที่นั้นพร้อมกันกับผู้ที่มาช้อนร่างข้าพเจ้าขึ้นไปซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าคงจะมีด้วยกันสองคนโดยช่วยพยุงข้างละคน แล้วเราก็มาอยู่ข้างบนของห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่ว่าข้างบนนั้นก็เพราะว่าเรากำลังมองลงมาเห็นภายในห้องนั้นเหมือนกับมองลงมาจากเพดานฉะนนั้นในห้องข้างล่างข้าพเจ้ามองเห็นหญิงสี่คนตอนนี้เองที่ข้าพเจ้าเหลียวไปดูบุคคลสองคนที่พาข้าพเจ้ามาสู่ที่นี้ก็เห็นว่าคนหนึ่งเป็นชายผมสีทองส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชายเหมือนกัน ผมสีดำมีลักษณะท่าทางคล้ายกับจะเป็นชาวตะวันออกเท่าที่ดูจากลักษณะาภายนอกคิดว่าทั้งสองยังเป็นคนหนุ่มมากคือคาดคะเนาอายุอยู่ในวัยยี่สิบเท่านั้นและในขณะ น, นี้ทั้งสองกำลังยิ้มให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเด็กหล่าวว่าต้องขออาภัยด้วยที่ได้ดินรนขัดขืนเมื่อครู่หนึ่งที่ล่วมานี้ เราในตอนนั้นยังไม่ทราบว่าท่านทั้งสองจะเป็นมิตรหรือศัตรูต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ลอยลงมาข้างล่างและได้นั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ยังว่างอยู่สตรีที่นั่งตรงข้ามกับข้าพเจ้าเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวด้วยเครื่องชุดสีคล้ำผู้ที่นั่งข้างๆข้าพเจ้าคนหนึ่งดูเหมือนจะสวมชุดสีขาวคลุมยาวไปจนถึงข้อเท้าส่วนอีกสองคนนั้นมองไม่เห็นชัดเจน มีเสียงหญิงคนหนึ่งถามว่าข้าพเจ้าเคยจาได้ว่าได้มาที่นี่บ้างหรือเปล่าซึ่งข้าพเจ้าก็ตอบว่าจำได้แน่นอนว่าเคยมาแล้วในขณะนั้นก็มีหญิงอีกคนหนึ่งพูดอะไรออกมาประโยคหนึ่งแต่ข้าพเจ้าฟังไม่ชัดจำได้แต่ว่ามีอะไรเกี่ยวกับโรคมะเร็งอยู่ในประโยคนั้นเท่านั้นท่านใดนั้นหญิงคนที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับข้าพเจ้า คือคนที่สวมเสื้อชุดสีคล้ำก็เดินมาที่ข้าพเจ้านั่งและเอาผ้าคลุมร่างของข้าพเจ้าไว้ดูคล้ายๆกับจะมานั่งทับตัวข้าพเจ้าฉะนั้นแต่ก็แปลกที่ข้าพเจ้าไม่รู้สึกถึงน้ำหนักตัวของเธอเลยพักหนึ่งเธอก็ลุกขึ้นและพร้อมกันนั้นก็มีเสียงหัวเราะขึ้นพร้อมกันแต่ข้าพเจ้าไม่สนใจนักเพราะตอนนั้นกำลังครุ่นคิดถึงเรื่องอื่นเสียมากกว่า แต่การสัมผัสกับหญิงที่มานั่งทับตัวข้าพเจ้านี้คงได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างกระมังเพราะในตอนนั้นก็ได้ยินเสียงผู้ชายกล่าวขึ้นว่าน่ากลัวเขาจะมานานแล้วควรต้องนำกลับไปเสียทีข้าพเจ้ารู้สึกสองจิตสองใจในตอนนี้คืออยากอยู่ต่อไปก็อยากและนึกอยากจะกลับก็อยากเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้โตเถียงอย่างไรและเกือบจะในทันทีทันใดนั่นเองก็รู้สึกว่า ตนเองได้กลับมานอนอยู่บนเตียงของตนตามเดิมและก็แหลยเห็นภรรยาของข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาจ้องดูข้าพเจ้าด้วยความประหลาดใจเธอกล่าวว่าได้เห็นข้าพเจ้าอ้างปากกว้างบ้างทำเสียงครางบ้างสลับกันไปและในระหว่างนั้นก็ดูเหมือนจะไม่หายใจเลยแต่นอกจากนั้นเธอก็กล่าวว่าเธอไม่ได้เห็นหรือได้ยินอะไรเลยนอกจากว่ามีปลาอยู่อย่างหนึ่ง คือแมวที่นอนอยู่กับเราในห้องนอนตื่นขึ้นมาและทําท่ากระวนกระวายชอบคนเธอกล่าวว่าในระหว่างนั้นเธอรู้สึกหวั่นใจและวิตกกังวลมากซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นใจและคิดว่าถ้าตนเองเห็นอาการเช่นนั้นของใครอื่นเข้าก็คงจะต้องรู้สึกเช่นเดียวกันเป็นอันว่าการเข้าร่วมประชุมทรงวิญญาณด้วยวิธีการนันแปลกประหลาดของข้าพเจ้าครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และควรที่จะได้รับการตรวจสอบกับความเป็นจริงอย่างยิ่งดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้โทรศัพท์ไปถึงอาร์จีในวันรุ่งขึ้นและก็ได้ทราบข้อความที่น่าสนใจหลายประการประการแรกก็คือในการทรงวิญญาณครั้งที่กล่าวนั้นมีผู้หญิงอยู่4คนจริงทั้ง4ประชุมกันในห้องเล็กที่เขาใช้เป็นที่อาศัยที่อาพาร์ตเมนต์เมื่อข้าพเจ้าได้ขอร้อง ให้เขาเขานั่งประจำที่ใหม่เพื่อให้อาจีดูและจะได้ส่งรายงานมาให้ข้าพเจ้าสอบสวนดูก็ปรากฏว่าทั้งหมดสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกับที่ข้าพเจ้าเห็นหญิงผู้มีรูปร่างสูงใหญ่ก็สวมชุดสีคล้ำและก็ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ได้สำรองไว้สำหรับข้าพเจ้าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อเวลาดึกแล้วคือหลังจากห้าทุ่มครึ่งซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่การทรงวิ ญ, ญญาณได้เลิกไปแล้ว สตรีทั้งหมดนั้นกําลังนั่งสนทนากันอยู่หญิงผู้มีรูปร่างสูงใหญ่นั้นได้ลุกจากเก้าอี้ในเมื่อหญิงอื่นๆได้กล่าวว่าอา้าวอย่าไปนั่งทับบ๊อบบี้สิว่าแล้วทั้งหมดก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันบ๊อบเป็นชื่อเรียกเล่นของใครๆก็ตามที่ชื่อโรเบิร์ตทำนองเดียวกับที่บิ๊กเป็นชื่อเรียกเล่นเล่นของคนที่ชื่อริชาร์ดและบิลเป็นชื่อเรียกเล่นเล่นของคนที่ชื่อวิลเลียม สำหรับญิงนอกนี้อีกคนหนึ่งสวมเสื้อยาวสีขาวแบบอยู่กับบ้านข้างูดที่ข้าพเจ้าจำได้ว่ามีผู้พูดกันนั้นที่ประชุมกล่าวกันว่าไม่ได้มีใครพูดออกมาจากปากเลยซึ่งถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าอาจเป็นการติดต่อกันทางจิตซึ่งเรียกว่าซูเปอร์คอนช s n เนสอีกหลักกระมังอย่างไรก็ตามหญิงคนหนึ่งในจานวนนั้นก็แจ้งว่า เธอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลโรคมะเร็งจริงๆส่วนหญิงอีกสองคนที่เหลือเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพบแล้วคือมิสซิสเอ็มและอาร์จีดังนั้นก็คงมีอีกสองคนที่ได้บัญยายแว้ข้างต้นเท่านั้นที่เป็นคนแปลกหน้าสำหรับข้าพเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์อีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งแต่ทีนี้หันมาพูดเกี่ยวกับชายสองคนที่ช่วยอุ้มข้าพเจ้าไปนั้น เขาควรจะเป็นใครอาจาเป็นไปได้จริงๆกระมังที่มิสซิสเอ็มได้ทำการติดต่อกับวิญญาณสามีของเธอและเทพผู้พิทักษ์ชาวอินเดียแดนจริงๆเพราะข้าพเจ้าก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสามีของมิสซิสเอ็มเป็นคนมีผมสีทองเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าหายสงสัยในความสามารถของมิสซิสเอ็มไปมากและต่อมาก็จำต้องพิจารณาและวิจารณ์เธอด้วยใจที่กว้างขวางและเป็นธรรมยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก สรุปผลของการพิจารณามีสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกันกับความจริงอยู่หลายอย่างคือ1เวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ทั้งทางด้านของข้าพเจ้าและของห้องทรงวิญญาณ 2. องขนาดของห้อง 3. ามจำนวนของหญิงที่ร่วมกันทรงวิญญาณ 4. เรื่องแต่งกายของหญิงทั้งหมดนั้นห การเอ่ยคำว่ามะเร็งแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านทางปาก 6. เก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่หนึ่งตัว 7. การกระทําของหญิงคือนั่งทับข้าพเจ้า 8. เสียงหัวเราะของหญิงทั้งหมดนั้นในภาคปฏิเสธคือในทางตรงกันข้ามข้าพเจ้า ไม่มีทางที่จะทราบได้เลยถึงเหตุการณ์หรือการกระทําต่างๆเช่น 1. ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นลนักษณะของห้องทรงวิญญาณมาก่อน 2. ความคิดเรื่องเก้าอี้โตว่างอยู่ตัวหนึ่งก็เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นในเย็นวันทรงวิญญาณเท่านั้นคือไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ก่อนซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้าแอบไปทายใจก็ได้ 3. ข้าพเจ้าไม่เคยพบหญิงในที่ประชุมนั้นอย่างน้อยสองคนแล้วก็ไม่มีทางทราบว่าเขาจะแต่งตัวอย่างใดเวลานั้น 4. ข้าพเจ้าไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่ามีคนทํางานที่โรงพยาบาลโรคมะเร็ง 5. การแสดงอาการหัวเราะของหญิงทั้งหมดนั้นเป็นไปโดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า คือไม่ได้มีการเตรียมตัวหัวเราะมาก่อนอกสิ่งที่ข้าพเจ้าอาจจะพอทราบหรือดาวได้ก็คืออาจีอาจจะได้ระบุจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมการทรงวิญญาณครั้งนั้นก็ได้ เหตุการณ์ครั้งที่4วันที่15เดือนสิงหาคมคริสตศักราช1963เวลาบ่ายหลังจากที่ได้หยุดมานานเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นการทดลองที่ได้ผลอย่างแปลกประหลาดอาร์ดิซึ่งเป็นสุภาพสตรีนักธุรกิจและซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพระเจ้าได้รู้จักคุ้นเคยมานานโดยได้รู้เรื่องราวส่วนตัวอันแปลกประหลาดของขพระเจ้าดี กำลังไปพักผ่อนที่ฝั่งนิวเจอร์ซีในระหว่างสัปดาห์นี้อันที่จริงแม้เธอจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าพเจ้าดีแต่เธอก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรือศรัทธาอะไรนักและในระหว่างเวลาที่กล่าวนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทราบอะไรมากไปกว่าที่ว่าเธอกาลังไปพักผ่อนอยู่เท่านั้นอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้เอ่ยปากบอกเรื่องที่จะทําการทดลองเกี่ยวกับตัวเธอเลยเพราะข้าพเจ้าเอง ก็พึ่งคิดขึ้นมาได้ในวันนี้เองซึ่งเป็นวันเสาร์ดังนั้นในตอนบ่ายข้าพเจ้าจึงเอ็นหลังลงเพื่อจะทาการทดลองกับเธอดูสักทีพร้อมกันนั้นก็ตั้งจิตว่าจะต้องไปหาเธอให้ได้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามใครขอแทกความจริงให้ท่านผู้อ่านทราบไว้ในตอนนี้ซะก่อนว่าข้าพเจ้ามาจะทาการทดลองเช่นนี้เป็นผลสำเร็จกับบุคคลที่รู้จักดีเท่านั้น ส่วนกับผู้ที่ไม่ค่อยรู้จักสนิทสนมกันมักจะทำไม่สำเร็จเป็นส่วนใหญ่แม้กระทั่งสำหรับผู้ที่ได้รู้จักกันดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ผลทุกครั้งไปวันนั้นข้าพเจ้าเรื่องการทดลองเมื่อเวลาประมาณบ่ายสาโมงโดยพยายามให้ร่างกายได้อยู่ในท่าพักผ่อนอย่างสบายต่อจากนั้นก็รู้สึกมีความอบอุ่นอันเป็นลักษณะของความสันสเทือนในระดับสูง รอบงามอยู่โดยรอบรันแล้วข้าพเจ้าก็อธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ว่าเอาละไปได้ต่อจากนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าได้เคลื่อนไหวไปท่ามกลางบริเวณที่มีสีน้ำเงินอ่อนสลัวและในที่สุดก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นครัวของบ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เห็นอานยูนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านขวามือถือแก้วแก้วหนึ่งไว้ในมือด้วย เธอกําลังมองมาทางซ้ายของข้าพเจ้าซึ่งมีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้สองคนต่างถือแก้วไว้ในมือเช่นเดียวกันในบรรดาเด็กหญิงสองคนนั้นคนหนึ่งมีผมสีทองส่วนอีกคนหนึ่งผมสีดําทั้งสองมีอายุอยู่ในราว17หรือ18ทั้งหมดดูเหมือนกําลังดื่มอะไรอยู่อย่างหนึ่งและกําลังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรอย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถได้ยิน ข้าพเจ้าได้เดินเข้าไปใกล้เด็กหญิงทั้งสองโดยไปหยุดอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ปรากฏว่าทั้งสองคนเห็นข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงหันไปหาอาเดบัยูและถามว่าเธอรู้ไหมว่าข้าพเจ้ามาอยู่ที่นั่นแล้วรู้สิฉันรู้ว่าเธอมาอยู่ที่นี่แล้วอาเดบัยูตอบซึ่งคงจะเป็นการตอบทางใจที่เรียกว่า super conscious ซึ่งจะแปลว่าจิตใต้สํานึกหรือเหนือสํานึกก็ตามแต่ ทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเธอกําลังสนทนาอยู่กับเด็กหญิงทั้งสองตามปกติโดยไม่ได้ขาดระยะข้าพเจ้าถามเธออีกว่าแน่ใจรู้ว่าจะจําได้ว่าข้าพเจ้าได้มาที่นี่แล้วเขาตอบตามมาทางใจตามเคยอีกว่าแน่ใจสิต้องจําได้แน่นอนข้าพเจ้ากล่าวว่าคราวนี้ข้าพเจ้าจะหาทางทําให้เธอแน่ใจว่าเธอจําได้แน่นอนเธอก็ตอบมาอีกว่า จำได้นะ่ะฉันแน่ใจว่าจะต้องจําได้เป็นคําตอบออกมาทั้งๆ ท, ที่เธอก็กําลังสนทนาอยู่กับเด็กหญิงสองคนตลอดเวลาข้าพเจ้ากล่าวว่าเพื่อให้เธอจําได้จริงๆข้าพเจ้าจะลองหยิกเธอสักหน่อยเธอตอบมาอย่างรีบร้อนว่าไม่ต้องก็ได้นะ่ะฉันจําได้จริงๆแต่เนื่องจากข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องทําให้เธอจําได้อย่างแน่นอนให้ได้ดังนั้นจึงเข้าไปใกล้ และหยิกเธอค่อยๆหนึ่งทีที่ซาเอลข้างหนึ่งปรากฏว่าได้ผลเกินความคาดหมายเพราะเธอร้องตะโกนโอยออกมาดังๆพร้อมกับถอยลังหนีออกไปซึ่งทําให้ข้าพเจ้าต้องประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะอ่านที่จริงก็ไม่ได้คิดว่าจะสามารถหยิกเธอให้รู้สึกได้จริงๆเสียด้วยซ้ําแต่เหตุใดการหยิกเพียงค่อยๆจึงทําให้เกิดผลอย่างรุนแรงเช่นนั้นก็ไม่ทราบเมื่อคิดว่าตนเองหมดหน้าที่แล้ว ข้าพเจ้าก็คิดว่าควรจะกลับเสีีหลังจากนั้นเมื่อคิดถึงกายเนื้อก็รู้สึกว่าได้กลับมาเข้าร่างใหม่เกือบจะในทันใดนั่นเองข้าพเจ้าลุกขึ้นคือว่าตอนนี้ลุกขึ้นด้วยกายเนื้อจริงๆและเดินตรงไปที่พิมดีดซึ่งกำลังพิมอยู่ในขณะนี้อาร์เดบัน oh. ย uh ู oh. คงจะยังไม่กลับมาจนกว่าจะถึงวันจันทร์ซึ่งมาถึงตอนนั้นคงจะได้มีโอกาสเช็คดูให้แน่นอน ขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสสิบห้านาทีการสอบสวนหลังจากเหตุการณ์วันนี้เป็นวันอังคารอาเดอบรรยได้กลับมาทำงานเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้ถามเธอว่าระหว่างเวลาสามโมงกับสี่โมงเธอทำอะไรอยู่ยูท่าเธอคงจะรู้ว่าข้าพเจ้าถามด้วยความประสงค์อะไรเธอได้ตอบว่า ต้องขอเวลานิดทบทวนดูก่อนแล้วจะบอกให้ทราบในวันอังคารคือวันที่จดบันทึกนี้และต่อไปนี้คือคำราย ง, งานของเธอวันเสาร์เวลาประมาณบ่ายสาโมงถึงสี่โมงเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะปลอดโปร่งกว่าเวลาอื่นเพราะตอนนั้นในกระท่อมชายหาที่เธอพักอยู่ไม่มีผู้คนพลุกพล่านมากนักจึงนับว่าเป็นครั้งแรกที่เธอได้อยู่กันตามลาพังกับหลานสาว ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ18ปผมสีดําและเพื่อนของหลานสาวคือเด็กหญิงอายุไล่เลี่ยกันผมสีทองทั้งหมดอยู่ในอาาเขตที่เป็นโรงครัวของกระท่อมที่พักอาศัยเธอกำลังดื่มเหล้าอยู่ส่วนเด็กหญิงทั้งสองกำลังดื่มน้ำอลรมตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งคุยกันเท่านั้นข้าพเจ้าได้ถามตอไปว่าเธอจาอะไรอื่นอีกได้ไหมแต่เธอก็ตอบว่า ไม่มีอะไรอีกแล้วเมื่อได้ถามเธอให้นึกดีๆอีกเธอก็ตอบว่าไม่มีอะไรอีกเลยจริงๆข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังจึงถามอีกว่าและเธอจําเรื่องการถูกอีกไม่ได้เลยทีเดียวหรือตอนนี้ปรากฏว่าเธอทำหน้าแปลกใจอย่างบอกไม่ถูกนั่นเธอเหรอที่มาหยิกฉันอาเดปัญญูกล่าวพร้อมกับจ้องหน้าข้าพเจ้าอย่างอัศจรรย์ใจอยู่ครู่หนึ่ง รันล้าเธก็ลุกขึ้นเดินไปในห้องทํางานของข้าพเจ้าเลือกเสื้อตรงสเสายให้ดูรอยช้ำสองรอยเป็นสีน้ําเงินและน้ําตาลปนกันตรงที่ที่ข้าพเจ้าได้หยิกเธอพอดีอาเดปัญญุกล่าวว่าฉันกาลังนั่งคุยกับเด็กๆอยู่ในตอนนั้นรันล้าอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าถูกหยิกอย่างรุนแรงดูเหมือนฉันกระโดดโยงสูงตั้งกับฟุตเนีะ่ะฉันนึกว่าน้องเคยได้แอบกลับมาหยิกฉันซะอีกเมื่อหันกลับมาดูก็ไม่เห็นมีใครเลย แต่ก็นึกไม่ถึงว่าจะเป็นเธอมาแอบหยิกฉันเลยซึ่งมันก็เจ็บเอาการเลยนะข้าพเจ้าต้องขอโทษเธออย่างจริงจังว่าต่อไปจะไม่หยิกหรือทําให้เธอเจ็บตัวแบบนั้นอีกและถ้าจะต้องทดลองอะไรอีกก็จะต้องทําอย่างอื่นแทนที่จะหยิกกันถึงขนาดนั้นข้อวิจารณ์สาหรับเหตุการณ์นี้ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าพอรู้อยู่บ้างอย่างกว้างว้างว่าอาอยู่ที่ไหนแม้จะไม่รู้รายละเอียดลงไปก็ตามข้อสำคัญก็คือมีรายละเอียดที่ตรงกันดังต่อไปนี้คือ 1. สถานที่ 2. จํจำนวนบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ 3. ลักษณะของเด็กหญิงทั้งสอง 4. การกระทำของคนทั้งสามหา การรับรู้การหยิก 6. กรอยที่เกิดจากการหยิกในด้านลบหรือภาคปฏิเสธมีดังต่อไปนี้ 1. ข้าพเจ้านึกถึงว่าจะได้พบเธอนอกบ้านแต่กลับได้พบภายในบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดไว้ก่อนเลย 2. ข้าพเจ้านึกว่าจะได้พบเธออยู่กับผู้ใหญ่เสีอมากกว่า เราดูอยู่ว่าเธอพักอยู่กับน้องสาวและน้องเขยที่มาเยี่ยมไม่ได้นึกฝันว่าจะอยู่กับเด็กๆในตอนนั้นเลยสไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าเด็กหญิงทั้งสองจะมีอายุหรือลักษณะของผมเป็นอย่างใดสไม่มีทางรู้ได้ว่าในตอนนั้นของวันนั้นเขาจะกำลังทำอะไรกันอยู่ในนั้นอ้า ข้าพเจ้าไม่เคยคิดที่ทำการทดลองด้วยการหยิกกับใครๆมาก่อนเลยอกไม่มีทางที่อาเดบยจะทราบได้ว่าข้าพเจ้าแอบหยิกที่ตรงไหนเพื่อจะได้ทำให้เกิดแผลในบริเวณที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกันเท่าที่กล่าวมานนี้ล้วนเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเสียมากกว่า แต่ในบทอื่นก็มีเหตุการณ์บางตอนซึ่งมีหลักฐานมากกว่านี้และได้ทำการทดสอบกันในห้องทดลองจริงๆซึ่งข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงในบทอื่นอันที่จริงเรื่องเหล่านี้อาจจะดูง่ายๆและไม่ค่อยจะมีสาระอะไรนักสำหรับบางคนแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ว่าโดยส่วนตัวของมันแต่ละครั้งแล้วอาจไม่มีความสาคัญเท่าใดก็จริงแต่มันก็เป็นเสมือนอิฐแต่ละก้อน หรือลวดลายแต่ละแห่งในตึกทั้งหลังหรือในลวดลายส่วนรวมดังนั้นแต่ละครั้งก็มีความสำคัญพอกับตัวของมันเหมือนกันและก็ด้วยเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาประติดประต่อรวมกันลหลายร้อยครั้งนั่นเองที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องคิดว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องเชื่อได้และรับรองได้ว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นได้จริง คือไม่ใช่เกิดจากภาพลวงตาหรือความคิดค้นเดาและเพอ้อฝันไปเองเลยข้อสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นแก่ท่านผู้อ่านบ้างก็ได้ใครจะรู้หมายเหตุผู้อา่านในเรื่องการหยิกแล้วเกิดรอยนั้นควรเทียบกับการทดลองสะกดจิตจนตกผวัง และสื่อสารกับจิตไร้สำนึกหรืออันคอนเชียสหรือในหนังสือนี้ท่านเรียกเป็นจิตเหนือสำนึกคือซูเปอร์คอนเชียสซึ่งการทดลองหนึ่งนั้นเมื่อสะกดจิตได้ลึกจริงแล้วเอาปากกามาจี้ที่แขนและบอกว่านี่คือไฟก็เกิดเป็นรอยไหม้ขึ้นที่ผิวได้จริงเป็นการทำตัวเองโดยจิตส่วนลึกที่เป็นจิตอิสระรอยู่ภายในแล้วรอยไหม้นั้นเกิดจากสัญญาคือความจาได้ว่าเมื่อไหม้แล้วจะเป็นอย่างไร ร่างกายจึงสร้างรอยไหม้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยความเข้าใจผิดไปว่าปัากกาญนั้นคือไฟสัญญาหรือความจำนี้ก็คล้ายกับเวลาเราพูดถึงของเปรี้ยวที่สุดและเกิดน้ำลายสอขึ้นมาเองการโดนหยิกด้วยการสื่อสารจากจิตสู่จิตโดยตรงจึงทำให้เกิดรอยขึ้นได้จริงแต่อาจไม่ใช่เพราะอานาจจิตคนอื่นมาหยิก ต, ตนเองแต่เกิดจากอุปาทานของจิตผู้ที่โดนหยิกที่รู้สึกไปตามความเคยชินว่า โดนยิกแล้วต้องเจ็บและเมื่อรู้สึกเจ็บก็ส่งสัญญาณไปที่ร่างกายให้เกิดเป็นรอยขึ้นมาตามความเข้าใจผิดหรืออุปาทานที่ฝังไว้แน่นมานานตัวอย่างการทดลองฉีดน้ำเกลือเข้านักโทษประหารโดยหลอกว่านี่เป็นยาพิษก็ปรากฏว่าเกิดความเจ็บปวดและตายไปจริงๆคือความกลัวสุดขีดด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้านั้นส่งข้อมูลพุ่งแนวไปที่จิตส่วนลึกจึงเกิดอุปาทาน และแสดงออกเป็นอาการต่างๆจนทำลายระบบภายในร่างกายให้ตายไปจริงได้เช่นกันผู้ป่วยจำนวนมากก็อยู่ในลักษณะ น, นี้นะครับที่บางทีป่วยไม่มากแต่ก็กลับสุดลงและกลายเป็นเจ็บหนักหรือบางคนจากที่ปกติดีพอรู้ผลตรวจเท่านั้นก็สุดลงตายไม่กี่วันในทางวิทยาศาสตร์นั้นที่มีการทดลองในแง่สกจิตยอมรับกันแล้วว่าจิตมีหลายระดับ และระดับลึกนั้นจะมีลักษณะตรงกับที่ทางพูดว่าไว้คือจิตเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ซึ่งผูเ้เจริญสติถึงจุดจริงจะได้เห็นภาวะแบบนี้ชัดคือจะเห็นจิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นตังหากเห็นชัดว่าเขาทำพูดคิดทำงานสั่งการบริหารการทำงานภายในร่างกายิปตามวิบากที่สะสมไว้เหมือนเป็นอีกคนหนึ่งต่างหากจากเราชัดเจนตัวอย่างของหนังสือเล่มนี้ จะเห็นนะครับว่าในหลายตอนเมื่อถอดจิตไปจะได้พูดคุยกับจิตส่วนนี้และคุยกันรู้เรื่องด้วยแต่เมื่อกลับมาสู่โลกความจริงจะพบว่าเจ้าตัวหรือจิตสำนึกปกติไม่รู้เรื่องด้วยเลยนี่คือความเป็นไตรลักษณ์ของจิตในอีกระดับที่ทำให้เห็นในเรื่องอนัตตาของจิตที่ชัดเจนซึ่งในเรื่องนี้ให้ลองเปรียบเทียบกับการสะกดจิตให้ตกภวัง แล้วผู้ถูกสะกดสามารถตอบคำถามพูดคุยได้รู้เรื่องโดยที่หลังคลายจากการสะกดแล้วผู้ถูกสะกดจะไม่รู้เลยว่าตัวเองได้พูดคุยอะไรไปจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเดียวกับที่ท่านถอดจิตแล้ไปพูดคุยกับหลายคนแต่พอไปถามเจ้าตัวในเวลาปกติกลับไม่มีใครบอกว่าได้พูดคุยด้วยเลยสักคนซึ่งในที่นี้เรื่องของท่านนั้นมีทั้งได้คุยกับจิตใต้สานึกของแต่ละคนที่ยังมีชีวิตและอีกรณี ก็คือได้คุยกับคนที่ตายไปแล้วนะครับ